ที่จริงถ้าโดยโดยสูตรนี้เราก็เรียนมาไม่ใช่น้อยนะบางท่านก็ว่าวิเคราะห์ว่าการเจริญเท่านั้นเองที่มันไม่ค่อยมากเมื่อเจริญไม่ค่อยมากมันก็ผลที่ควรจะเกิดมันก็ไม่ค่อยเกิดะสิ่งที่ควรได้มันก็ไม่ได้สิ่งที่ควรจะเจริญก็ไม่ค่อยได้เจริญก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการนะ แต่เห็นๆก็อย่างที่หลายท่านก็บอกคาราวานมันขับแคบนันงคือวา่าไงแต่ก่อนนี้ท่านก็ยันกวมันจะเแต่ย้อยอมรับว่าจะเ้ะ่นได้มากใช้เวลามากที่สุดคือพยายามจะดูในเรืองงานนี้สบายใวนี่ก็ือวเพคนไจริงๆนะคะเพราะว่าพอ เราไปคิดตามสูตรแล้วแบบนี้ซึงมากๆเลยะแล้วก็แล้วก็ทองไปทั้งวันเลยท่องนู้นทองั้องีครึ่งแล้วท่องอีกท่องนู้นวาจกลคืนเนี่ยวันนั้นใช้ไปใช้ตรตีหนึ่งครึ่งยังไม่หลับเฮ้ยยัมหลับต้อคิดไปตื่นเช้าดิเดี๋ยวคงจะนอนละประกวดทั้งวันดีเดี๋ยวจนตอนสี่โมงเย็นต้มาขอนอนหน่อยแล้วจะไม่นอนไม่พอแม่เป็นไงตั้งแต่เจริญเจริญได้ต่อเนื่องเลย มันก็ยังอยู่ในนั้นนะมันมันโอยู่ในนั้นแต่มันก็มีหลับสักทีพอใช้สองนาฬิกาให้มันขึ้นแล้ก็รู้สึกก่เบอตลอดยันสว่างก็อย่างเงี้ยค่ะสึกไม่ได้กลางวันที่จะเต็มที่เลยกลางวันที่ขื้เรื่อเกือบทั้งวันเลยคือจะอยู่กับตำราที่ตลอดพยายามจะเลือกสูต่าอะไรเนยที่มันคันสายเนียคะใช้ให้หม อาจารย์สอนเขาเป็นคนที่ได้วิเวกกายวิเวกก็ได้ปปกิจก็เขาถ้าในห้องเราทั้งหมดเขามีส ป, ปายะที่สุดก็ไม่มีระหู ก, กิจจาอะไรสักอย่าง น, นปปาะบริหารขันห้าอยู่ขันเดียวบริหารขันห้าขันเดียวเนี่ยนจาจักที่เราก็กได้ส ป, ปายะนั่ น, ห น, นแหละ เจริญยังไงดีขึ้นี้น้ำโชคดีเจริญยังไงอ๋อผ่านก็การเจริญน่ะนะส่วนที่สำคัญท evet ี่สุดก็คือ ทำยังไงที่เราจะได้เจริญได้บ่อยขึ้นเจริญได้มากขึ้นเอ่อสิ่งที่สำคัญนี่อยู่ตรงนั้นนี่ถ้าตั้งคำถามว่าเจริญอย่างไรก็สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องเจริญแต่ทนี้ไอ้โครงสร้างที่ที่เอาไว้เจริญจริงๆอ่ะนะหัวข้อมันก็ไม่ค่อยมากหรอกสำคัญอยู่ที่ว่า ในสิ่งเดิมๆนั่นแหละเพียงแต่พิจารณาให้บ่อยให้มากแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งคือเปลี่ยนวัตถุเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างเป็นต้นเนี่ยนะคือส่วนตรงนั้นนั่นแหละโดยความเป็นจริงแล้วข้อมูลแต่แต่ละคนที่มีอยู่นี่ก็เชื่อว่าเพียงพอที่จะเจริญจริงๆบางคนก็เหมือนกับว่าจะต้องศึกษาให้มันได้เท่าอัตมาก่อนแล้วค่อยไปเจริญ ถ้าหากว่าบางคนที่คิดขนาดนั้นนะเามาก็นึกกรุณาขึ้นมาเลยทำไมนะัหมก็บอกมันใช้เวลามากเกินไปคือคือมากเป็นสิบปีเนี่ยนะไม่ไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ตั้งโครงการที่จะศึกษาต่อไปอีกค่อนข้างเยอะนะันถ้าหากว่ามาคิดวัดในแง่นั้นก็คงคงคงลำบากใจหน่อยนะเพราะว่าเรื่องมันยาว แต่ทีนี้ในส่วนที่เราทั้งหลายศึกษากันอยู่เนี่ยเฉพาะพระสูตรที่เราเรียนเราศึกษาก็เชื่อว่าพอแล้วที่จะเอาไปเจริญได้เนี่ยนะทีนี้การเจริญอย่างนั้นเนี่ยนะก็หาข้อมูลประกอบไปเรื่อยๆให้เจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักอย่างในบรรดาสติปัฏฐานทั้งสี่บพธาเนี่ยนะผู้ใดเจริญบัพธาใดก็ตามที่สุดของทุกบพธาก็มาลงที่อริยศสตร์อยู่แล้ว ทุกทุกบัพพาณนะไม่ว่าจะเป็นกายานุปัสสนาทั้ง14บัพพาเวทนานับหนึ่งหรือ9ประเภทจิต16หนะั่นนะหรือนิวรพโธชงว่ารวมๆมันก็คือขันอายตนะธาต์เมื่อประมวลสิ่งเหล่านี้มาพิจรารณาก็คืออริยสัจนั่นเองอถ้าหากว่าทรงจำรายละเอียดอัตตะเกี่ยวกับอริยสัจเอาไวด้ดีก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะเจริญ เพียงพอที่จะเอาไปปฏิบัติได้เลยทียนี้การเจริญเนี่ยดังที่กล่าวว่าหลายท่านไม่สามารถจะเจริญได้ต่อเนื่องเหตุผลที่ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยต่อเนื่องอ่ะนะคือความมั่นใจว่าเอ๊ะเจริญแล้วมันมั น, ม, นมันพ้นทุกข์แน่หรืออันนี้แหละที่ที่ค่อนข้างหลายท่านค่อนข้างเป็นคือก็เชื่ออยู่แต่ว่าความเชื่อนั้นไม่เพียงพอที่จะ ที่จะลงมือทำเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะทีที่เรียกว่าที่เรียกว่าสละสละทุกเรื่องเพื่อเจริญอันนี้นี่เราเราเข้าใจเลยเหมือนอย่างว่าถามว่าพระพุทธรูปที่พิษณุโลกเราเลื่อมสายไหมบอกไม่ได้ไม่ได้รังเกียจอะไรถามว่าตอนนี้พร้อมไม่จะไปกราบพร้อมไหมกราบที่นี่แทนนะก็คือนี่คือลักษณะว่า กุศลธรรมที่เรากล่าวถึงก็ลักษณะเดียวกันเราก็เริ่มสายอยู่เราก็แต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะเจริญได้ปฏิติดปฏ่ออย่างต่อเนื่องเป็นต้นซึ่งก็ผู้ที่เจริญได้ดีได้มากก็ขออนุมโมทนาส่วนผู้ที่ยังไม่ค่อยเจริญก็ทํำยังไงจะได้มนสิการจะได้เจริญคือถ้าไม่เจริญเลยเนี่ยนะไม่เอามาตรึกไม่เอามาใคร่ครวญในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะ ในโลกของการเรียนประหยัดก็ไม่มีที่จบที่สิน้นคือถึงเรียนไปยังไงก็วนกลับมาเดิมเดิมนั่นแหละว่าจเจริญหรือเปล่าจเจริญหรือยังจเจริญว่ายังไงจเจริญไปได้แค่ไหนเนต้นเนี่ยก็ต้องยนวนกลับมาหาตรงนี้เพราะว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกสูตรมุ่งการเอาไปปฏิบัติเป็นหลักนคือไม่ใช่เป็นความสวยงามว่าแต่งตั้งให้เทศนาสวยงามใช่เฉยไม่ใช่ แต่เป็นคำสอนที่มุ่งเอามามาเจริญมาปฏิบัตินี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือเวลาของเราทั้งหลายมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอื้อแล้วละคือคือเวลาที่ที่ว่าเนี่ยนะคือเวลาอะไรคือชีวิตน่ะนะมันไม่ค่อยเอื้อแล้วถ้ายิ่งผัดปานประการพรุ่งมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งไม่ตั้งใจเจริญเป็นกิจการมากเท่าไหร่นะมันประกาศถึงว่าเราเนี่ยประมาทมาก ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายคือคือประมาตอาริยมรักมีองค์แปดหังนั้นเองคือคําว่าประมาทเนี่ยแปลว่าอะไรประมาตนี่แปลว่าการปล่อยจิตไปในการมคุณข้อแรกนะคําว่าประมาตแปลว่าปล่อยจิตเพลิดเพลินไปในการมคุณตรงโน้นเราก็ยังไม่ได้ดูตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เที่ยวเป็นต้นนี่ยนะ เรียว่าปล่อยจิตไปนในการมคุณอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือการปล่อยตัวปล่อยว่ากายวาจาใจาไปในทุจริต น, น, นะนะกายยะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเมื่อใดที่ประกอบตนให้เป็นไปกับทุจริตขณะนั้นก็เรียกว่าประมาทอีกในหนึ่งก็คือการเจริญกุศลธรรมไม่ต่อเนื่อง น, น, นะนะเจริญได้คือกปิดกระปล่อยนะ น, นะวันหนึ่งสักนิดหนึ่งแต่ก็ พระเถระรูปหนึ่งท่านก็ให้กำลังใจนะว่าก็ก็ยังดีอ่ะนะที่ได้เจริญบ้างก็ยังดีแล้วที่ดีกว่าไม่ได้เจริญเลยแต่ว่าถ้าเจริญไม่ค่อยมากไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยอะไรก็ต้องไม่หวังผลมากนะเนะเพราะว่าผลทั้งหลายมันไหลมาจากต้นเหตุเมื่อเหตุอ่อนเมื่ออินทรีย์ทั้งหลายอ่อนอริยมรรคเป็นที่ประชุมแห่งอินทรีย์ก็เกิดไม่ได้อยู่แล้ว งูแลบเล้นแท็บเดียวมันก <Ừ. S 2> ็เป็นกุศลอยากเรียนศาสนามาสนาแก้งงูแลบเล่นเป็นยังไงมันแทบเดียวอะแว็บเดียว่ะแว็บว่าอย่างไรจะสมมติเราจะปนาว่ามหาบุญจะรูปสี่ร่างกายเราเป็นดินน้ำไปลมอะไรเนี่ยแวบเดียวแค่นี้แล้วก็ลืมไปไปเรื่อต่อแค่นี้ก็เป็นกุศลมหาศาล ชัวชัวช้างกันติ้หูชัวมูแลดลิ้แล้วพอไหมล่ะที่จะพ้นทุกข์พอไหมไม่พอครับว่ามขัดกันเองคือดังที่กล่าวว่าการทมที่ควรพิจารณาเนี่ย ทำที่ควรพิจารณาก็คืออะไรสรุปว่าคืออปปาทานขันท ห, หรืออายตนะนะธรรมะเหล่านี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่ากำลังจะกล่าวในโลกที่เอามามาพิจารณาให้มากๆเนี่ยนะกุศลธรรมที่เป็นบาทของการพิจารณานี่คืออะไร เราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวที่พิจารณานี่คือปัญญาปัญญาเป็นธรรมที่เป็นอ่าเป็นตัวเข้ามาพิจารณาหรืออะไรนะเครื่องมือวิจัยอ่ะนะปัญญานี่ภาษาทางวยายก ร, รหมายถึงกรณะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อ่าให้บุคคลนั้นนะเกิดความรู้ วิจัยก็คือการเข้าไปไปวิจัยนะเข้าไปวิจัยเข้าไปแยกแยะไปใคร้ครวนในสูตรหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนสาราสาราเขียนยังไงจังกี้สอนซอเสือปัญญาเหมือนสารา ถ้าท่านบอกว่าไอ้อุปาทานขันห้ากับอายตนะประดุดโคนไหดุดโครหรือดุดอะไรดีเคยเล่กไก่ไหมเอาไก่ก็แล้วกันโคมใหญ่ไปนไปัญญาก็เหมือนกับเครื่องมือที่ไปชำแหละไก่หนไหรืออีกนางหนึ่งก็บอกว่าถ้าเปน็นนี้ก็อุปมาเหมือนโรคก็ได้โรคบางอย่างเช่นถูกลูกสอนปักเนี่ยนะปัญญาก็เหมือนกับ สตราที่เป็นเครื่องมือของหมอที่เอาไปไปผ่าตัดเพื่อที่จ ะ, ะชําระโรคเนี่ยนะหรือเครื่องมือเข้าไปชําแรกปัญญาตัวนี้นี่เขามีหลายชื่อด้วยกันเช่นถ้าเป็นวิจัยก็เรียกว่าธรรมวิจัยสามโพชงใช่หหรือถ้าพูดแบบปริญญาก็คือได้ปริญญาสองอยถาปริญญากับตีรณะปริญญาปัญญาเหล่านี้ก็มีเหตุใกล้ เหตุใกล้ของปัญญาอันนี้คืออะไรคือสมาธิเนี่ยนะถ้าไม่สงบระดับหนึ่งก็วิจัยยากคือการพิจารณาเนี่ยนะมันมันมีความละเอียดเหมือนกับการร้อยเข็มอะถ้ามือฝั่นเนี่ยเป็นยังไงมันมันก็ร้อยยากอ่ะนะผู้ที่จะพิจารณาก็เหมือนกันถ้าหากว่าสภาพจิตไม่ค่อยดีสุขภาพจิตไม่ค่อยดีเนี่ยนะก็ยากที่จะ พิจารณาได้ทัานสุขภาพจิตเนี่ยนะความตั้งมั่นแห่งจิตสำคัญมากต่อการพิจารณาถามว่าสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ทวนนะสมาธิเนี่ยแมสรุปรวมๆ ว, ว่ามีศีลเป็นเหตุใกล้โดยรวมๆนะศีลเป็นเหตุใกล้เพราะศีลเนี่ยที่สุดของศีลคือทาให้ได้รับความสุขที่ไม่มีโทษถามว่าก่อนที่จะมามีศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มีศรัทธาเป็นเหตุใกล้แล้วศรัทธาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้เนศะรัทธาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็แบ่งเป็นกลุ่มตัวชีวิตของเราจริงๆอ่ะนะตัวที่เป็นเหตุใกล้แห่งศรัทธาคือทุกข์ะนะเราเราสำคัญว่าเราเนี่ยมีทุกข์หรือว่าปลอดทุกข์ แต่ถ้ามีความรู้มีความสำคัญว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีทุกข์มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะทุกข์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุกข์ที่เรารับอยู่ชาติทุกข์ชราทุกข์เนี่ยนะมรณะทุกข์ชาติชรามรณะมาจากอะไรเนอมาจากอะไรก็มาจากกรรม อนนมาจากกรรมกรรมมาจากอะไรรวมๆก็กิเลสกิเลสมาจากไหนวิบากวิบากมาจากไหนจากกรรมกรรมมาจากไหนจากกรรมก็มาจากกิเลสกิเลสมาทำกรรมกรรมก็มีวิบากวิบากก็วนเวียนสรุปว่ารวมๆก็คือเป็นไปกับชาติชรามรณะคือเป็นไปกับทุกทุกตัวหลักๆที่เรารับรับอยู่เนี่ยนะ ชาติทุกข์มันน่ากลัวก็นับตั้งแต่เช่นเกิดในอบายเป็นต้นนะน่อันนี้คือทุกข์ที่เราเราทั้งหลายไม่ยังไม่พ้นกันเลยคือทุกข์ในอบายนี่ถึงทุกข์เป็นมนุษย์ละ่ะก็ทุกข์ตั้งแต่อยู่ในคันเป็นต้นมาใช่ไก็ชีวิตที่ผ่านมาบางคนก็เขาก็ทุกข์จริงๆนะเขาเดือดร้อนทั้งลำบากทางกายแล้วก็ลำบากทางใจใช่ไหมพอร่างกายเจริญเติบโตมา สุขภาพก็ก็ย่ำแย่ในที่สุดก็ดูเกือบๆแล้วล่ะเกือบอะไรเกือบจะได้ชาติอีกแล้วะเกือบจะเกิดใหม่อีกแล้วเนี่ยนะบอกถ้าคิดแค่ตายนึกว่าตายแล้วมันจบใช่ไหมแต่บอกว่าเกือบตายกับเกือบเกิดเนี่ยไหนน่ากลัวกันเกือบเกิดใหม่แล้วยังกงตอนอันไหนน่ากลัวกันน่ากลัวสองอย่างอนะ ทั้งเกิดทั้งตายเนี่ยเรียกว่าจุติอุบัติเนี่ยนะจุติปฏิสนธินน <laughs> เพราะว่าทั้าตาแล้วก็หมายถึงเกิดใหม่ น, นะก็อยู่ใกล้ๆกันทีนี้เมื่อว่าโดยรวมๆเนี่ยนะชีวิตของเราทั้งหลายก็เป็นไปกับทุกเหล่านี้ทุกเหล่านี้ก็คือย่อๆที่เรารับกันอยู่คือทุกข์ทุกขก์ใช่ไหมอะไรอีกวิปริณามทุกถึงจะมีความสุขบ้างแต่ความสุขเหล่านั้นก็ก็น้อยเกินไป นะก็เคยมีความสุข <_ d ose> เคยมีความสบายอ่ะนะแต่ว่ามันน้อยเกินไปอย่างผู้การเคยมีความสุขกับการเล่นกีฬาสมัยก่อนอ่ะนะตอนนี้ให้ไปเอาไหมอย่างงี้ยนะมันน้อยเกินไปแล้วนะความสุขเรานั้นอ่ะนะความสุขกับการเล่นเทนนิสตอนแรกดีมากตอนเอ็นขาดจากนั้นเลิกเล่นอีกต่อนหลัเนะเลิกเลย <_ d ose> <_ d ose> <_ d ose> เอ็นขาดทีเดียวเลิกเล่นเลย ตอนก่อนแสดงว่าสนุกมากเสร็จแล้วก็สิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะล้วนแต่ไม่ยั่งยืนใช่ไหมสังขารทุกข์นี่น้าคุณโชคดีปลูกต้นไม้ต้นใดมาก็เดี๋ยวหรือปลูกหรือปลูกเพราะมันเป็นสังขารทุก์มันไม่จีรังยั่งยืนจริงๆเนี่ยนะทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะนะแม้กระทั่งบ้านเรือนเนี่ยใหม่เท่าเดิมไม่บ้านเรา ไม่ค่อยใหม่เท่าเดิมนะนะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเสื้อผ้าที่เราบอกว่าเออเนี่ยมันตอนมันมันใหม่อ่ะนะตอนนี้ก็ชักไม่ใหม่แล้วนะนานๆเข้ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายโดยที่สุดที่เรียกว่าอะไรนะผมงอกเป็นต้นนียะมาตัดขนจมูกเออทำไมมันขาวเทวดทูตมาเตือนเรื่อยนะ เพราะเนื่องจากว่าโดยรวมๆเนี่ยเป็นผู้มีทุกข์ะนะทุกทั้งหมดที่มันน่ากลัวเนื่องจากว่ามันก่อให้เกิดทุกข์กายอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกข์ใจอีกอย่างหนึ่งชีวิตของสัตว์ในวัฏฏะเนี่ยนะประมวลเบ็ดเสร็จแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจหรือหลายๆครั้งที่เราว่าเป็นสุขความสุขนั้นๆน่นะคือต้นจุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์นะดังที่กล่าวว่า เราสุขกับสิ่งใดมากเราจะเสียใจเพราะสิ่งนั้นน่ยมากวัตถุใดที่เราเข้าไปเพลิดเพลินมากวัตถุนั้นเราจะเครียดมากเนี่ยนะวัตถุไหนที่เราว่าเยี่ยมวัตถุนั้นเราจะบอกว่าในที่สุดนะเดือดร้อนมากแม้กระทั่งมีร่างกายเราเลยนะตอนที่มันไม่ป่วยนะดีจริงๆเลยนะกระชับกระเชงแม้สบัดมือสบัดเท้าแข็งแรงไปหมดเลยเดี๋ยวเพื่อตอนมันป่วยนะ มีปกตินี่เราก็โอเป็นนักเดินมากเลยนะเราก็ว่าเราเดินเก่งมากแล้ววันๆเดินได้เป็นสิบสิบกิโลมันหลังมันเดินมาเอ๊ะทําไมมันปวดๆเนี่ยกระโผลกระเพลกขึ้นมาแสดงว่าเชื่อมมือมเอชื่อมไม่ค่อยได้เลยจำไว้นิดนี้นหัวใจมันรู้จะเลิกปั๊มมาไหนก็ไม่ทราบทาไงนะใ ห, ให้หลานขึ้นขยมเลยลเหรอให้หลานนวดให้เลยนะขยมเดี๋ยวเกิดหัวใจมันเลิกปั๊มหรือว่างไง กูมนโชลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้ามันจะหยุดเต้นนะอ๋เดี๋ยวจะไปวัดดูมันเป็นอะไรก็าบอ ง, งั้นตอนมันจะหยุดจริงๆมันไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องวัดอสิ <S <S 1> <S 1> <S มันจะลําบากเอาเพราะฉะถ้าหากว่าเราเห็นทุกเนี่ยนะเมื่อเราเห็นทุกทํำยังไงเนี่ยปัญหาทั้งหมดทุก ท, ทั้งหมดที่เรามีอยู่มันจะรับการแก้ได้ตัวที่ขับเคลื่อนในการเจริญกุศลธรรมจริงๆอ่ะอยู่ที่ตรงนี้ะนะจะเจริญได้บ่อยจเจริญได้มากตั้งใจเจริญหรือไม่ ก็อยู่ที่ว่าชีวิตเรามีทุกไหมหรือมีเรียกว่าที่ผ่านมามันเป็นทุกไหมแล้วก็จะมีทุกต่อไปเบื้องหน้าไหมนี่นอันนี้คือถ้าหวังผลในการเจริญกุศลธรรมจริงๆแล้วต้องต้องเป็นอย่างนี้อย่างว่าเบื้องต้นเนี่ยใครที่เจริญกุศลศีลทั้งหลายเนื่องจากว่าเขาเห็นทุกในอบายอันนี้คือสู่ตายตัวใช่ไหมอันนี้คือสู่ตายตัวว่าถ้าหากว่า เห็นภายในอบายนั่นแหละศีลจึงจำต้องปรารถนาถ้าเห็นโทษในการมมาพบสมาธิจึงจึงต้องปรารถนาถ้าเห็นโทษในวัฏฏะทั้งมวลปัญญาจึงจำต้องปรารถนาขึ้นเนะเมื่อเมื่อชีวิตเป็นไปกับทุกอย่างนี้เนี่ยนะเกิดมาองค์ประกอบของศรัทธามีอะไรบ้างศรัทธาก็เนื่องจากมี พระตนะตรายมีคําสอนของพระองค์นะที่เรียกว่าพระธรรมเราก็มาได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังจึงเกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็รักษาศีลเจริญสมาธินี่ยให้ให้จิตเป็นไปกับกุศลซึ่งสมาธิเน้นเน้นอะไรเน้นความที่จิตไม่ไม่สับสนอนะจิตไม่กังวลก歪ใจมันสงบอย่างที่จะว่าเพราะว่างานที่จะทําต่อไปเนี่ยเป็นงานที่ ที่ละเอียดเพราะฉะนั้นถ้ามือสั่นเนี่ยมันร้อยเข็มไม่ได้ฉันใดก็ดีถ้าจิตไม่มั่นคงระดับหนึ่งยากที่จะเจริญได้ถึงเจริญได้ก็เจริญได้ตามสมควรแก่ความสงบที่มีอยู่ยานะการวิจัยอริยสัจเนี่ยนะถ้าจิตเราฟารุ้งซ่านก็จะวิจัยได้ตามสมควรคนที่มีความรู้ดีระดับหนึ่งเนี่ยนะทำไมตัวเองเจริญไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่ทําไมเจริญไม่ได้ รู้อะไรเป็นอะไรรู้ไปหมดแหละแต่ทำไมไม่เจริญก็เพราะว่าจิตมันไม่มั่นคงเดี๋ยวนะธรรมะท่านาเปรียบเทียบว่าจิตไม่มั่นคงเหมือนเหมือนอะไรเหมือนหลังลาหลังลาแล้วก็มีฟักอันหนึ่งมาตั้งเนี่ยนะอยู่กี่นาทีเนอะลูกฟุตบอลตั้งอยู่บนศีรษนะเนะนี่ยนะนี่ถ้าปัญญาที่มาพิจารณาเนี่ยนะซึ่ง ปัญญามาวิจัยก็วิจัยตัวตัวทุกนั่นแหละทั้งหมดที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าการที่จะออกจากทุกข์ก็ต้องมามาพิจารณาทุกข์จนกว่าจะดับต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ซึ่งต้นเหตุแห่งความทุกขนั้นก็คือที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นสมุทัยเนี่ยนะต้นเหตุแห่งทุกนี้การพิจารณาทุกเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่า ทุกคนกำหนดรู้หรือควรพิจารณาก็คือควรพิจารณาขันอายตนะธาตุพิจารนาว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปกับชาติเนี่ยนะชาติปีตุขาใช่ไชราปิทุกขามรณะปีทุ ข, นะทขังโสกะปริเทวะทุขโทมนัสอุปายาตานะความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความขับแค้นใจ ประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพราดพลากจากของรักและสุดท้ายปรารถนาก็ไม่สมหวังปรารถนาว่าอย่าเกิดมันก็ไม่ยอมอย่างนั้นนะปรารถนาว่าอย่าเกิดในอบายเป็นต้นเนี่ยนะถ้ากรรมยังมีอยู่มันยอมไหมมันก็ไม่ยอมเป็นต้นเนี่ยพราะันความปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาก็เป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะทุกข์ทั้งมวลเหล่านั้นก็คือขันห้าหรือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคือตัวทุกในถ้าขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยถามหามาจากไหนตัวที่ชาติเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดามรณะเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวขันห้าในขันห้าเนี่ยก็หนึ่งประกอบไปด้วยรูปประขันใช่ไหมรูปประขัน คือทําไมไม่บอกว่าทุกทั้งหมดนะชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกมรณะทุกขเนี่ยคือคนนั้นอ่ะเป็นทุกคนนู้นเป็นทุกนายแดงเป็นอันะเรียกว่าถาทางทางบาลีเรียกว่าโสมทัตเป็นทุกเทวทัตเป็นทุกพรหมทัตเป็นทุกเนี่ยนะพระโสมะให้มานี่ก็ทุกเทวทัตคือเทวดาให้มาก็ตนทุก พรห ม, มทัตคือพรหมให้มากว่าทุกสรุปว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นภาคทางนี้ไม่ค่อยเท่าไรใช่ไหมถ้าจะเป็นภาคภาคกลางนี่ก็บอกไปขอหลวงพ่อให้มาเหมงอนกันเออภาคนี้ก็มีนะไปนี่เขาขอขอลูกขอใครมาขอจากครูบาศรีวิชัยเนียถ้าภาคเหนือนะใครลูกยากๆเขาจะไปขอครูบาถ้าเป็นภาคภาคตะวันออกเขาจะไปขอหลวงพ่อโสธรถ้ากรุงเทพนี่ก็ไม่รู้ว่าไปขอแถวโรงแรมเอราวัณเนี่ย เพราะั้นขออะไรขอพรมใช่ไหมที่โรงแรมเอราวัณก็พรมนะไปขอเท้ามหาพรมมาเพราะฉะนั้นเวลาได้ลูกมาเนี่ยนะถ้าไปขอเทวดาอย่างอย่างเช่นที่พมา่าเขาก็มีเทวดาของเขาเนี่ยเาไว้ไปขอฉนั้นถ้าได้มาจากเทวดาลูกคนนี้เทวดาให้มาเรียกเทวทัศไปขอเท้ามหาพรมแล้วได้ลูกเขาเรียกว่า พรห ม, มทัตทัตะแปลว่าให้ก็พรหมให้มาเทวดาให้มาก็นับถือพระโสมะก็บอกว่าโสมทัตบอกว่าพระโสมะให้ม า, า, ม า, าเขาว่างั่นนะ่ะนนทีนี้เมื่ อ, อเมื่อทําไมไม่กล่าวเอ่ยชื่อไปเลยว่าอาจารย์มินิตดคือทุกอย่างเงี้ยภูการเป็นทุกอย่างนะคุณมุญชูเป็นทุกอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกอย่างนี้ไปเลย ก็บอกว่ามันทุกคนนั่นแหละมันไม่ใช่เนี่ยในห้องเรามีอยู่เท่าไหร่มันก็ทุกเท่านั้นนั่นแหละในโลกนี้ประเทศไทยมีเจ็ดิบล้านคนมันก็ทุกทั้งเจ็ดสิบล้านนั่นแหละทั่วโลกหกห้าหกพันล้านมันก็ทุกทั้งห้าหกพันล้านมันมันทุกทั้งหมดนั่นแหละก็เลยบอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกขเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นจึต้องพูดสัตว์โวหารว่าเป็นใครแต่ว่ารวมๆแล้วใครที่เกิดมาในโลกเนี่ยแค่ก็ได้ไหม จนอย่างอื่นหมดอนะแต่ว่าไม่จนทุกอย่างเดียวไนงะเหมือนกันหมดคือร่ํารวยด้วยความทุกข์เหมือนกันหมดถามว่าทุกเหล่านั้นอะคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทําไมพระพุทธเจ้าแสดงรูปก่อนเพราะรูปมันหยาบที่สุดแล้วที่ที่ที่ประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยรับรับเฉพาะส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมนะสัมผัสเนี่ยรับเฉพาะส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมอย่างเช่น รูปที่เรารับเนี่ยก็คือสีจริงๆนั่นแหละรูปที่เรารับเป็นเบื้องแรกเลยนะก็คือสีเพราะสีเนี่ยมันเป็นอะไรถ้าสีมีที่ใดที่นั่นต้องมีมหาพูดอันนี้คือธรรมชาติของเขาใช่ไหมทัน เ, เวลาเรามานัสการสีทั้งหลายเนี่ยมนสสการไปที่มหาพูดมไหมโลกของสีเนี่ยนะสีของ หิวก็อย่างหนึ่งสีของผมก็อย่างหนึ่งสีของฟันก็อย่างหนึ่งสีของขนก็อย่างหนึ่งสีของเล็บก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็สีคนละอย่งางคนละอย่างไปใช่ไหมแล้วก็คนละตาแหน่งของตาแหน่งสีของตาก็อย่างหนึ่งมันก็สีเบื้องหลังของสีนั้นก็คืออะไรปฏวีอาโปเตโชและ วาโยนะก็คือธาตุดินน้ําลมไฟทั้นการพิจารณาเนี่ยธาพิจารณาแบบหยาบที่สุดเลยพิจารณารูปปัจขันธ์ก็คือปัญญาเข้าไปพิจารณาในนะถ้ายกสีเป็นหลักก็คือผอมขนเล็บฟันหนังนะเบื้องหลังของผมคนเล็บฟันหนังก็เจาะลึกเข้าไปอีกก็คือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตนะไล่ไปอีก หัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไปอีกก็ลำไส้เนี่ยนะลำไส้ตั้งแต่คอไปจนถึงทวารหนักเรียกว่าไส้หมดเลยอันตังที่รัดไส้ไม่ให้มันขยื่นเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าอันตะคุ่นังแล้วก็อาหารที่ช่วงบริโภคเข้าไปใหม่เรียกว่าอุทธรยังอุทรน่ยนะมันอยู่ในท้องอ่ะนะก็กลืนเข้าท้องถ้ามันจะก่อนจะหลุดออกมาก็เป็นกเรีสัง มันสมองที่มันอยู่บนศีรษะก็เป็นมัทหลงคั ง, งก็อาศัยน้ำหล่อเลี้ยงใช่ั้ยน้ำที่หล่อเลี้ยงก็ประกอบไปด้วยปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสมหะนะเสมหะปบโพโลหิตังเซโทโมเมโทอสุวาซาเคโลสิงคางนนกาลสิกามุดตังเนี่ยนะแลก็ปฐวียี่สิบอาโป 12แล้วก็เตโชเนี่ยมาบ่มไว้ใช่ไหมรักษาไว้เตโชเนี่ยเป็นตัวรักษาเช่นรักษาให้ความอบอุ่นมีอยู่ในร่างกายทําให้ร่างกายสุดโทรมป่วยไข้แล้วก็ย่อยอาหารก็มีสี่แก็อาศัยจากธาตุลมลมพัดขึ้นลมพัดลงล ม, ลมในช่องท้องลมในลําไส้พัดทั่วสารพางกายหายใจเข้าออกก็หกลม ดังคนที่เจริญหรือพิจารณาเรื่องชีวิตที่เป็นขันนายตนาธาตุเนี่ยอันนี้หยาบที่สุดคือการพิจารณารูปถ้าพิจารณารูปอย่างนี้เนี่ยนะหรือแทบว่าเห็นผู้การนะั้นไม่คิดอย่างนี้เลยนะอันนี้หยาบที่สุดแล้วในในเห็นอาจารย์วินิตท่านนึกอย่างนี้ก็ยังนึกไม่ออกนะเวยจะไปกล่าวอะไรมรรคผลมันเกินไปเห็นนะทำไมจริงว่าเกินนะมันไกลามากไกลจริงๆเลย